ยุคนี้เป็นยุคที่มันมีการแปรปลวนเปลี่ยนแปลงทางดินฟ้าอากาศและความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีต่างๆที่ทําให้เกิดมลพิษแล้วตลอดถึงสารพิษต่างๆเนี่ยทาให้ <c oughs> เราเป็นผู้บริโภครับเอาสิ่งเหล่านี้เต็มๆถ้าเราไม่มีวิธีป้องกันตัวเองเนี่ยเราก็จะแก่ไวเจ็บไวตายวัยป่วยไว้ ร่างกายแทนที่เราจะมีประสิทธิภาพใช้มันเวลาเป็นหลา ย, ลายสิบปีเราก็ใช้มันแบบปกติเพียงไม่กี่ปีแล้วก็มหมดสภาพแล้วตอนนั้นไปอยู่ในสภาพถึงไม่ป่วยไม่ตายก็อยู่ในสภาวะคนป่วยเป็นประเภทไร้สภาพหมดสมรรถภาพเนี่ยชีวิตเราก็ไร้ค่าแทนที่เราจะใช้ชีวิตนี้ที่มีคุณค่าไปถึงอายุเจ80ิให้กับลูกกับหลานหรือเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศชาติมีผลต่อการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งเอามากำลังทำหลายๆรูปแบบตัวนี้เพราะว่าเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของชีวิตแล้วจะถามว่าเป็นเรื่องอะไรของพระละ่ะพระคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านก็ว่าได้เพราะอะไรเขาเลี้ยงมาอยู่กับวัดบ้านไม่เช่าเขาไม่ซื้อมาทำอะไรถ้าไปทำหน้าที่อันนี้ใช่ไหม เพราะนั้นทรัพยากรของพระส่วนเนี่ยทั้งสามี่แสนรูปเนี่ยถ้าว่าทํางานอย่างตะมาเนี่ยมาว่าประเทศชาติไปได้ไกลแล้วแล้วทาอะไรกัอยู่กําลังเหล่านี้มันบอดไปทักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วทํางานทักกี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละทำเพื่อให้สะท้อนให้เห็นว่าคนเราเกิดมาแต่ละคนน่ยมันมีค่าชีวิตที่สูงมากเป็นอุดมภาพกว่าจะได้ชีวิตมาเป็นมนุษย์อย่างนี้เนี่ยมันผ่านการพัฒนาการวิวัฒนาการไม่รู้กี่ล้านปีตั้งแต่เราเป็นสัตว์น้ํา สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่ง น, น้ำมาเรื่อยๆจนมาเป็นเราเนี่ยมันไม่ใช่จู่ๆมาเกิดมาเป็นมนุษย์นะมันมีวัฒนาการมาเรื่อยๆจนก็ได้มาเป็นเพศสูงสุดคือเป็นมนุษย์นะถือว่าเป็นวัฒนาการขั้นสุดท้ายของสิ่งมีชีวิตละมนุษย์เนี่ยเราเกิดมาด้วยขบวนการของทุกข์แต่ในที่สุดเราก็ น, น่าจะต้องจบการเกิดใ น, นเมื่อเรามีโอกาสได้ไปเปลีนนย่ยนวัยได้เกิดมาเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยอีกต่อไป แน่ใบเยภูมิสุขติภูมิทีนี้มันจะต้องมีขบวนการพิเศษนั่นก็คือสิ่งที่พู้ทธเชาท่านตรสรูมาท่านได้ค้นพบในฐานะเป็นมนุษย์สูงสุดได้ค้นพบวิธีที่จะจบการเวียนว่ายแต่เกิดของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็ได้การมาเอาเชื้อมันออกทีนี้ในเมื่อเกิดมาชาติหนึ่งแล้วเนี่ยเราได้ชีวิตที่ดีที่สุดไม่ง่อยเปรียเสียขาไม่พิกลพิการสติปัญญาสมองปกติเนี่ย มันน่าจะต้องรักษาใช้ให้รักษาใช้นี้เพื่อจะไม่เชื่อมาสวยความสูงนะใช้เพื่อให้เกิดสติปัญญาพอที่จะไปทำลายเชื้อที่จะทำให้ยวนได้ใ่เกิดอะถ้าสมมติว่าเรายังไม่ถึงเวลาที่ยังไม่หมดกิเลสตัณหาประทานที่มันเป็นเชื้อของการเกิดยังไม่หมดเราก็าอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งเจ็บเพื่อนเองที่จะต้องมีนเทนรือดำรงรักษา ร่างกายอันนี้ไว้เพื่อจุดประสงค์อันนั้นนะถึงแม้บางคนยังไม่พร้อมที่จะหมดเชื้อหมดชาติหมดกิเลสในชาตินี้ก็ยังมีตัวตัวที่คุณสมบัติที่จะทําไร้ในชาติต่อไปะและต้องได้ไปเกิดอีกไม่ว่าชาติใดชาติหนึ่งนะเราก็จะต้องมีคุณสมบัติในการฝึกแบบเนี้ยเจริสติสมาธิแบบเนี้ยติดตัวไปในชาติต่อๆไปพอเกิดในชาติต่อไปมันก็จะไม่ได้ มันก็จะมีความสมบูรณ์ทางสติปัญญามากขึ้นโอกาสที่จะทําลายเกยียรติอสาาวามันก็ได้วเรยวขึ้นอ่ะนะอันนั้นเองอันนี้คือจุดประสงค์และเป้าหมายว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเพศที่อุดมศึกษอุดมเพศสูงสุดแล้วเนะี่ยทำไมเราใช้มันไม่เต็มความสามารถใช้มาเต็มที่เพราะอะไรอันนั้นก็เราจึงมาปฏิบัติธรรมกันเพื่อเรียนรู้สิ่งนี้ถ้าเราเรียนรู้สิ่งนี้ไปแล้วเอาไปปฏิบัติตามได้แล้วก็สามารถ ที่จะยืดอายุความแก่ความเจ็บความตายของเราออกไปจนกว่าเราจะหมดกิเลสอาสวะตรงนั้นอะ่ะเมื่อหมดกิเลสอาสวะแล้วจะตายวันไหนก็ได้แล้วทีนี้จะป่วยวันไหนก็ได้เพราะอะไรเพราะมไม่ต้องกลับมาอีกแต่ถ้าหากว่ามันยังไม่หมดกิเลสอาสวะเนี่ยแต่เราตายไปเราก็ต้องกลับมาใหม่ก็ไม่รู้กลับมาเมื่อไหร่ไม่รู้นะดังนั้นเป้าหมายของเราในการทําให้ร่างกายและจิตใจเข้มแข็งเนี่เพื่อ มีเวลาพอที่จะทำลายกิเละสอสวาให้หมดเท่านั้นเองไม่ใช่เพื่อจะเฉไวสุขในชีวิตที่ให้มากที่สุดไม่ใช่แต่มันไปยิ่งกว่าสุขท่านใช้คำว่าบรลมะสุขนิพานังปรามังสุ ข, ขังนิพานเป็นสุขที่เหนือสุขเป็นบรลมะสุขที่ไม่ต้องทุกข์อีกนั่นแหละเพราะ น, นั้นเองก็เลยมาเองก็ตั้งแต่เข้าใจเรื่องนี้มาเวลา30เกือบสาิปีนะีก็มานึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระอริยเป็นพระหรหันต์แล้วก็ มา <c oughs> มีเวลา <c oughs> อบรมสั่งสอนญาติโยมเพียงไม่กี่ปีท่านก็ป่วยแล้วก็เจ็บกนตายไปหรืออยู่ในสภาพที่ทำอะไรไม่ได้นอนดูป่วยอยู่เพราะคนไปกราบไหวบูชาได้บุญกุศลได้บุญเท่านั้นเองแต่ที่จะมาบอกชี้ทางไปชี้ไปนั้นให้คนหมดกิเลสอาสวะนี่กอ็อยากลแลละเราก็เสียดายเสียดายาประสบการณ์ทั้งชีวิตเนี่ยแต่มาใช้มันไม่กี่ปีท่านก็ไปเนี่ยมันไม่คุ้มอ่ะ ก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงถ้าหากว่าเราไปถึงสภาวะนั้นบ้างเ่าั้นง้าจะอยู่ให้ยาวให้เข้มแข็งพอที่จะบอกสิ่งนี้ให้กับคนทั่วไปได้อีกยาวนานเป็นหลายสิบปีแทนที่จะรู้กันสามปีห้าปีแล้วก็ตายไปสิปียี่สิปีแล้วก็ตายไปทำไมอยู่กันห้าสิบเจ็ดสิบปีเท่ากับอายุไขของเราก็มีทางเดียวคือจะต้องดูแลเรื่องร่างกายใช่ไมยมโยทิน เจอหลวงพ่อเทียนส0มสีก่กว่าปีคุณนิ่งนั่งหลเ บ, บื่อเลยแล้วม่หไหยจะพน้นทีทีนะบอเปิดตาให้กว้างๆนะดูหน้าหลวงพ่อนี่นะหลวงพ่เราไม่ต้องดูที่อื่นเนี่ยคุณจะหลบสายตาทำไมนะเพราะฉะนั้นมันมันเป็นอะไรบางอย่างที่คนไทยวัฒนธรรมไทยเราอะมันครอบอยู่นะ ย่งสมมออกกาลังกายเนี่ยถ้าเป็นผ้าเป็นชีมาเต้นแรงเต้นกางอย่างนี้ไอ้คนที่มันเป็นอนุรักษ์นิยมเป็นคนสวีทิบมันรับไม่ได้นะการทำอะไรผ้าอะไรมาเต้นแรงเต้นกางอะไรอย่างงี้ใช่มมันรับไม่ได้แต่อันนั้นคือวัฒนธรรมไทยมันเราป่วยเพราะวัฒนธรรมป่วยเพราะวัฒนธรรมป่วยเพราะกรรมฐานใช่ไหมคือต้องพักเพียบเรียบร้อยแต่ร่างกายเขาไม่ได้รับรู้ด้วยไอ้ความวัฒนธรรมของเราเนี่นะร่างกายเขาเจ็บป่วยเพราะวัฒนธรรมแล้วก็ เป็นคนสติปัญญาอ่อนลงมาเพราะวัฒนธรรมครอบงำไม่มีความกล้าแข็งพอที่จะไปะเผชิญความทุกข์และปัญหาต่างๆด้วยสติปัญญาของตัวเองต้องมาพึ่งพาสายนูนเนี้ยไปหมดเนี่ยนะแล้วมีปัญหาด้านเศรธธษฐกิจการเมืองสังคมแก้ไม่ตกเพราะระบบความเจ็บป่วยทางวัฒนธ ร, รรมมันเกาะเกี่ยวกันอยู่นะ ยิ่งไปบวชเป็นพระกลายเป็นคนไร้ความสามารถไปเลยทำอะไรไม่ได้วินัยครอบอยู่จนะผิดอะไรวินยัยก็เลยก็โดนตีโดนอัด จ, จะเละไปเลยกนะันดังนั้นสิ่งเหล่านี้เรามองข้ามไม่ได้เราต้องมาวินิจฉัยว่าเออเป็นมนุษย์มันมีอาการของธาตุอาการธาตุสีอาการสสองธาตุสีขั้อาการสาสิบสองอัตตะนาสิบสองครบเนี่ยเราจะใช้มันเต็มความสามารถได้อย่างไรนะ มาก็เลยลืมแต่ความจริงก็ไม่ได้คิดถึงต่นักที่นี่ทีเดียวก็เนื่องจากว่าเราใช้ชีวิตแบบพระที่ว่าถูกวัฒนธรรมครอบงำเนี่แหละก็เจ็บป่วยนะเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคหัวใจเป็นโรคไมเกรนเป็นโรคปลายประสาทเสื่อมหลายอย่างนะ ม, มันก็เลยห ล, หลังจากเข้าใจเรื่องนี้ก็ดูแลรักษามื่ที ล, ล, ละโรคละโรคละโรคจนที่สุดโรคที่หายยากที่สุดคือโรคอะไร โรคภูมิแพเ้เป็นโรคเป็นโรคพันธุกรรมก็ว่าได้เป็นโรคภูมิแพ้แต่เราก็รักษาดูแลมันตลอดโรคอันหนึ่งที่ไม่น่าจะเกิดคือโรคโอุบัติเหตุนะมันเกิดเป็นระยะระยะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ยมันเมื่อมันมีการเกิดแล้วก็มีการดับมีการเกิดก็เรามีการแก้นะก็ในที่สุดก็ได้มาสรุปปัญหาส่วนใหญ่ของคนไทยก็คือวัฒนธรรมกิน วัฒนธรรมเกินและวัฒนธรรมกรรมจากเนื่องจากประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่ดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปราหานแล้วก็บรรยากาศที่ไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปเนี่ยทำให้เราอยู่แบบสบายพอทนได้ก็ทําให้เราต้องติดสุขติดการอยู่การกินมากเกินไปพอการกินอยู่คืกินมากสบายเกินไปก่อให้เกิดมันเกินเพราะในส่วนเกินนี้เองก็ทําให้เราเจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อจ็บป่วยร่างกายและจิตใจแล้วมันก็นั่คือวิบา ก, กรรมของเรา mm. เรียกว่ากินมันเกินแ้วมันก็เป็นกรรมมันเป็นกามก่อนนะกามแล้วก็กินแล้วก็เกินแล้วก็กรรมว mm. นก็อย่างเงี้ยนะแก้ไม่ตกดังนั้นสิ่งที่จะแก้ไอ้วงจร อ, อย่างนี้ได้ทั้งหมดมีทางเดียวคือต้องมาเจริญปัญญานะ mm. ต้องมาเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นโทษของกามเห็นโทษข อ, รรของการกินเกินกินนั่นดีนะ แต่มันถ้ากินเกินมันไม่ดีเห็นโทษของกามเห็นโทษของการเกินและเห็นโทษของวิบากกรรมที่เราต้องรับไปไม่รู้จะยาวนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งระบบเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงได้เนื่อมีการเริ่มต้นนะเริ่มต้นคือต้องมาตั้งสติกันใหม่มาตั้งสติหมายว่าเราในเรื่องกามเรามีอะไรบ้างที่เรายัางติดอยู่ กามกินเกียรติเป็นเสนียดของพระนิพพานหลวงพ่อพุทธทาตั้งสโลแกนไว้งั้นเลยนะกามกินเกียรติเป็นเสนียดของพระนิพพานนั้นกามเป็นตัวต้นคือกามคือความอยากที่มันติดเป็นนิสัยเป็นสัญชาตญาณของเรามาทุกพบทุกชาติเนี่ยมันฝังฝังอยู่ในกมูลรสันดานของเราเนี่ยทุกคนทีนี้กามมันมาจากอะไระก็มาจากที่เราต้องการ รักสบายรักสุขเกียรติทุกมาจากสัญชาติญาณนั้นนั่นที่เราพูดไว้ในวันแรกๆว่าความรู้สึกรักสุขเกียรติทุกเป็นสัญชาตญาณสัญชาติญาณของสัมภัสัตว์ทั้งหลายทีนี้เรารักสุขเกียรติทุกขในแง่ของโลกิยาเนี่ยมันถูกต้องแต่ในแง่ของโล ก, กุตระไม่ถูกทุกสุขไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่สิ่ง ท, ที่ต้องรักต้องเกียรติ ทุกสุขเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจว่ามันมีเพราะอะไรนะสุขทุกทุกต้องกำหนดรู้แล้ ว, วลก็ลึกๆไปแล้วว่าสุขไม่มีที่เราพิสูจน์กันสุขก็คือทุกที่มันลดลงหน่อยหนึ่งแล้วรู้สึกว่าสุขเหมือนเรานั่งเนี่ยมันหนักพอลุกขึ้นอาการหนักหายไปก็มันหมายความว่าอาการเบาเนี่คือสุขอาการเบาเนี่คือความน้าหนักที่ลดลง ความหนักที่ลดลงเป็นความเบาแต่ในความเบานั่นก็มีความหนักอยู่พอนั่งเข้าไปมันก็หนักใหม่ยเในความสุขนั้นมีความทุกข์อยู่เพียงแต่มันยังไม่เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองเมื่อไมันทุกข์เพิ่มขึ้นความสุขก็หายไปเมื่อไรความทุกข์มันลดลงเราก็สมมุติว่าเป็นความสุขเพราะฉะนั้นความสุขกับความทุกข์มันก็สิ่งเดียวกันแต่มันคนละขั้วสมมุติว่าความสุขคือ แบมือความทุกข์ก็คือกำมือท่านเองแต่มันก็ยังเป็นมืออยู่ดีแต่เราต้องการที่จะไม่ไม่ต้องมีมือที่ต้องกำมือต้องแบนะดังนั้นมันก็จะมีความสุขทุกข์ของกายโดยที่เราไม่รู้ไม่ศึกษาความสุขทุกข์ของกายก็เปลี่ยนเป็นความสุขทุกข์ของจิตความชอบไม่ชอบของจิตเราก็ไปเอาตัวนั้นแหละเป็นความอยากจะให้มันสุขมากขึ้นความอยากเริ่มปรากฏต้อเรียดต้องการเพิ่มความสบาย ก็รว่าเราต้องการเพิ่มความสบายือเพิ่มความสูงด้วยความทุกข์ก็เพิ่มความทุกข์นั่นเองใช่ไหมพอเราสูงทุกข์เป็นเรื่องเดียวกันเพิ่มจากมือเดียวก็เป็นสองมือสามมือสี่มือไปนีดังนั้นในการปฏิบัติเราก็ถึงกลับเข้ามาหาตั้งสติใหม่เริ่มต้นตรงนี้มาตั้งสติกันใหม่เพราะตั้งสติหมายความว่ารือกระดานข่มกระดานใหม่เปลี่ยนกระดานใหม่เลยเราเอาร้านรือกระดานเลย ภาษานักการเมืองเขาคมกระดานกระดานนี้มันเลอะเทอะเต็มทีแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้สับสนมากล้มกระดานใหม่งางกระดานใหม่แม้แต่นักการเมืองการเมืองการปกครองเราก็เป็นเงื่อนมาตลอดใช่ไหมเขาตั้งกระดานใหม่ก็เลอะเทอะเอาคมกระดานเอาตั้งตุดใหม่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นมาตั้งแต่นู่นแล้วจิตของเราเหมือนกันเมื่อกระดานนี้ยกระดานที่เราใช้มันมา ตลอดชีวิตเนี่ยโอ้มาเลอะเทอะเปลือบเปลิปลมนมวุ่นวายไปเหมือไม่รู้จับต้นชนไปลายไม่ได้เพราะมันใหม่เลยเปลี่ยนกระดานใหม่ขึ้นมาตั้งต้นกันใหม่อันนี้คือวิธีของพุทธมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ท่นเป็นอ น, นิจจังโชคดีตรงที่ว่าเป็นพุทธไม่มีสวรรค์ทาววไม่มีนรกทาวรแต่นรกสวรรค์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่า เงื่อนไขคุณมีสติปัญญาแค่ไหนถ้ามีสติปัญญาพอเปลี่ยนนรกให้เป็นสวรรค์อย่างพระอเคริมานเปลี่ยนความเป็นโจรมหาโจรเป็นอะไรเป็นพระหรหันต์ได้เลยใช่ไหมนี่คือการวิธีการคั่วเพียงแต่ได้สติได้พบกริยาณมิตรให้สติเท่านั้นแหละภัยยะธารุทิยาที่สาคัญผิดมาตลอดชีวิตพอพระพุทธเจ้าชี้เพียงชั่วโมงเดียวพลิกจาก ชีวิตที่เป็นนรกเป็นสวรรค์เป็นนิพพานขึ้นมาได้ทันทีดังนั้นอันนี้คือวิธีพูดว่าเราเชื่อกฎของความเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้เชื่อกฎของความเป็นสวรรค์ท้าวรนรกทาวร น, นะสวรรค์นรกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสุขทุกข์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่ตัวที่จะเข้าเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะต้องมีสติมีปัญญาเข้าไปเปลี่ยนแปลงดังนั้นมาเที่ยวที่เรามาเจริญสติซึ่ง เราได้ให้ <c oughs> ความหมายละได้ยามไปเมื่อวานแล้วว่าตัวรู้สึกเท่าที่มีที่ไม่อาจใสยความคิดแต่อาจใสยความรู้ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมาให้มันมีกำลังนี่คือความรู้สึกตัวที่เป็นสติที่เราต้องการเาพราะสติในความหมายที่เรารู้มาจากตำรานั้นนะ่ะเขาบอกว่าเป็นตัว ความสามารถจำได้หมายรู้ในกิจที่ทำในการงานที่ทำคาที่พูดได้แม้ผ่านไปนานแล้วอย่างระลึกได้อยู่นั่นคือนิยามของคำว่าสติแบบตาราสามารถจำกิจที่ทำคาที่พูดได้แม้ผ่านไปนานแล้วนั่นคือคำว่าสตินะแต่ในความหมายของสติที่เป็นสติปัฏฐานไม่ใช่ความหมายนั้นอันนั้นคือตัวผลมันไม่ใช่เหตุ เหตุมันคืออะไรเหตุว่าคำว่าสติตัวนี wegen, ้มาจากคําว่าตัวสารธาตุที่แปลว่าวิ่งแปลว่าเล่นเราไม่ใช้คําว่าสขอสลาหล่อเหลือบแปลว่าลูกศรแต่ว่าวิ่งแปลว่าเล่นแปลว่าพุ่งอะไรมันวิ่งมาเล่นมันพุ่งจิตของเรามีลักษณะที่มันวิ่งไปข้างนอกออกข้างนอกตลอดเวลาใช่ไหมวิ่งไปคิดเรื่องนั้นวิ่งไปคิดเรื่องนี้ตลอดเวลาแล้วตัวไหนล่ะที่จะวิ่งไปตามเอาจิตกลับมาได้ นในที่สุดตรวจไปตรวจมาก็คือตัวนี้คือตัวสติอแปลว่าเอามาเป็นภาษาทางนมามธรรมแปลว่าระลึกเอามาเป็นภาษาทางรูปธรรมแปลว่าวิง่งจากลูกสอนมาเปลี่ยนมาเป็นอะไรเป็นกระสุนใช่ไหมามาเป็นกระสุนมันมาจากคาว่าสอนภาษาไทยศรแต่มาจากลากภาษาบาลีว่าสระแปลว่าวิง่งแปลว่าแล่นสระแปลว่าวิ่งแปลว่าเล่ น, ลลลนทีนี้ พอไปลงติปัใจจัยในภาษาบาลีคําว่าสระตัวนั้นมันก็เหลือๆตัวเดียวคือสะพอมาบวกติปัจจัยมันค่าละไปเป็นเหลือสติละหายไปอันนี้ลงปัจใจในในขยะเขามีชื่อสิบกว่าตัวนะถ้าลงตัวนี้ถ้าตัวนี้จะเปลียนี้ถ้าลงที่ท่านแต่ไปทรงณปัจจัยเนี่ยมันคงอยู่เป็นสารณะความหมายใหม่เลยใช่ไหมสารณะแปลว่าอะไรพุทธังสารนังขะฉ า, ามิแปลว่าที่พึ่งที่ละลึก ไปนู่นเลยสติคือที่พึงที่ระลึกแต่พอเรามาใช้คำว่าสติในความหมายของตีปัจใจก็แปลว่าที่พึงที่ระลึกแต่ว่ามันแปลรูปตามทา่าทีนี้เราก็เอาว่าสติที่เป็ น, นปัจจุบันท่านใช้คาว่าทิละสัญญามันเป็นสัญญาตัวหนึ่งต่อจากเวทนารูปเวทนาสัญญาใช่ไหมถ่านั้นตัวเปลี่ยนเวทนาเนี่ยให้เป็นสัญญา แต่ให้เป็นทิละคําว่าทีละแปลว่าต่อเนื่องแปลว่ามั่นคงแปลว่าต่อเนื่องความรู้สึกที่ต่อเนื่องนั้นเป็นตัวทีละสัญญาแปลว่าสตินะแต่ถ้าเราแปลว่าแล่นหมายเพาะว่าเป็นเหตุที่ว่าจิตมันวิ่งออกไปถ้าความรู้สึกตัวคําว่าทิละสัญญาไม่มีกําลังพอเนี่ยมันจะไปวิ่งตามจิตทันไหมไม่ทัน เพราะจิตมันฝึกฝนอยู่กับอดีตอนาะคตมาตลอดพบชาติกับกันมันไปของมันโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะแต่ทีนี้ตัวไหนเนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถจะจับจิตมาอยู่ณปัจจุบันได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะสร้างที่รสัญญาได้เลยคือความต่อเนื่องของความรู้ตัวเนี่ยความสําคัญความรู้ตัวณปัจจุบันให้ต่อเนื่องให้มั่นคงณปัจจุบันจะทําไม่ได้ดังนั้นเราก็จับความรู้สึกตัวความสัญญาตัวเวทนาตัวนี้มาฝึก โดยการยกมือเนี่ยให้รู้สึกรู้สึกที่มือเป็นทั้งรูปทั้งนามเป็นรูปเพราะมันมีมืออยู่เป็นนามเพราะในการยกมีความรู้สึกอยู่ความรู้สึกจากการยกมือเนี่ยเป็นนามตัวมือที่ยกเนี่ยเป็นรูปเพราะนั่นกายกคือยกไม่ใช่ยกมือยกอะไรยกรูปนามนะยกรูปนามเพราะนั้นเบื้องต้นเราจึงเอารูปนามเนี่ยเป็นอารมณ์กรรมฐานว่ายกนี้เป็นมือก็จริงแต่ว่ามันมีนามอยู่รู้สึกอะไร รู้สึกหนักรู้สึกเบารู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายที่สัมผัสได้ภายนอกนะแล้วก็พยายามที่จะจํากัดการรู้เพียงแค่นี้ไปเรื่อยๆความต่อเนื่องของการรู้ที่เป็นสัญญาที่เป็นเวทนาของมือก็จะเปลี่ยนเป็นสัญญาที่ต่อเนื่องและสัญญาทวิติเนื่องเรียกว่าถีและสัญญาเป็นคําจำกัดความเขาว่าสตินี่คือความเป็นไปเป็นมาของรากภาษานะ คือเรื่องนี้มั่วไม่ได้ต้องมีงที่ไปที่มาเห็นชัดว่ามันมาจากไหนว่าโครงสร้างของคําว่าสติมันมาจากขันห้าในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญ, ญาณแล้วสติอยู่ตรงไหนอ่ะสติอยู่นอกเหนือขันห้าแต่เกิดจากขันห้าเกิดจากคําว่าเวทนากับสัญญาบวกกันเป็นสติแต่ถ้าเราไม่มีการมาตระหนักรู้ซะ ก, ก่อนเราจะรู้ได้ไงว่าเวทนาคือความรู้สึกคือความรู้สึกทางกายเรียกว่าเวทนาความรู้สึกทางใจเรียกว่า สัญญาเมื่อความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางใจบวกกันเรียกได้ตวงหมายว่าถีละสัญญาคือความต่อเนื่องของความรู้สึกระหว่างกายกับใจเชื่อมกันเราเข้าไปตามรู้อาการนี่แต่ถ้าเราไม่มีการทำนิมิตหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะไม่เห็นการทำงานของความรู้สึกกายกับรู้สึกใจเชื่อมกันใช่ทีนี้บางการณีบางสานักที่เขาใช้ลมหายใจเข้าเราหายใจออกโดยเอาลมหายใจเป็นรูป แล้วตามรู้ลมหายใจเข้าออกให้รู้เข้ารู้ออกเป็นนามก็ปรากฏว่ามีนักปฏิบัติจํานวนมากที่สุดทำตามหลักการ น, น, นี้แต่มีผู้รู้บางท่านมาทำแล้วบอกมันไม่เหมาะกับอินทรีย์ของท่านเพราะมันละเอียดเกินไปลมเข้าระหว่างลมกับมือเนี่ยอันไหนมันสัมผัสได้ง่ายกว่ากันอันนี้พิสูจน์ตามความเป็นจริงตามคอมมเซเลยนะไม่ใช่เป็นเรื่องลึกซึ้งอะไรนะ ระหว่างอาการของลมกับมือเนี่ยอันนี้กําหนดรู้ได้ง่ายกว่ากันมือใช่ไหมวันก่อนที่จัดโอรงวารานที่โรงงวารานที่เชียงใหม่โยมคนหแกทําเรื่องหนอมานานเลยพูดโทรมานานทําไปก็สงสัยไปว่ามันต่างกันแนนยกมือกับกาหนดลมหายใจมันดีนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็สงบแล้วแต่ที่หนูยกทั้งวันมันไม่สงบเลยนี่เห็นไหมนี่มันมันเริ่มเข้าใจคนละทางมาก็บอกว่าเราทํานี่เราไม่ต้องการเอาความสงบนะ เราต้องการตัวรู้ตื่นเบิกบานเราไม่ยังไม่ต้องการความขอความสงบเป็นผลแต่ถ้าคุณมาเอาสงบตั้งแต่แรกเอาผลมาตั้งต้นแต่แรกไงโดยที่ไม่มีเหตุผลนะั่นมันจะอยู่ไปนานไม่ได้มันก็ยังไม่เข้าใจหลวงพว่อการยกแก้วมานะอ่าขอสาธิตหน่อยเอ้าง่ายๆอธิบายมันยากคุณลองเป่าแก้วไปนี่ให้หลวงพ่อดูว่าให้มันเลื่อนไปตรงนั้นดิอ่าคุณเป่าคุณเป่าให้เต็มที่เต็มลมของคุณเลยนะให้เลื่อนไม่ต้องไกลเอาแค่คืบเดียวคุณลองทํำดูสิอ้าวงั้น คุณคิดว่าไม่ไหวใช่คุณลองใช้มือยกดิแล้วคุณเป่าดูดีทีนี้ทําซ้อมก็ดูหลายครั้งเก็ตเลยทีนี้อ๋อเป็นอย่างนี้เองกําลังของลมมันเบาบางเกินไปที่จะยกสิ่งอย่างหนักออกแต่กําลังของมือมันมีความกําลังพอหายสงสัยเลยอ๋อเป็นอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องมันเป็นนามธรรมาเนี่ยเราจะพูดอย่างเดียวไม่พอนะต้องทําให้ดูว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะในที่สุดเขาก็ ย, ยกมืออย่างเต็มใจ น้ำหนักที่เกิดจากมือชัดแล้วก็ไม่ต้องหลับตาด้วยเพราะเราไม่เอาความสงบที่เกิดจากความลมหายใจอย่างเบาบางอย่างแผ่วเบาเนี่ยมาเพราะอะไรเพราะว่ามันน้ำหนักมันน้อยเกินไปมันเบาความที่มันต่ําเกินไปมาเขาบอกว่าคุณเอาจุดเลียนเทียนเล่มหนึ่งคุณลองไปส่องหาเข็มที่ตกในที่มืดดูเนี่ยอะไรเล็กๆที่ตกในที่มืดของคุณหายเนี่ย คุณจะหาเจอได้ไง่ายๆไหมไฟนอกจากจะเสี่ยงต่อการดับแล้วก็ยังแสงสว่างก็ยังเลีล้ยบดีใช่ไหมทีนี้คุณไม่ต้องใสด่ดีคุณเอาสปอตไลท์เลยนะไฟฉายที่แรงที่สุดเนะี่ยไปส่องดูเห็นทุกอย่างละเอียดยิบเลยอันไหนหาง่ายกว่าโดยคอมมนเซนใช่ไหมมันก็ต้องไฟฉายที่สว่างที่สุดทางง่ายกาเหมือนกันความรู้สึกตัวจากเกิดจากการลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันเบาบางมากเหมือนกระแสงเทียน แต่ความรู้สึกที่จะเกิดการยกมือเนี่ยมันชัดเจนมากเหมือนกับส ป, ปอรไลมันก็จะเห็นสภาวะได้เร็วกว่าได้ชัดกว่าใช่ไหมตรงเนี้ยเราจึงพูดกันแล้วพูดอีกทำความเข้าใจกันแล้วก็อีกเพราะว่าความรังเลยสงสัยเยอะเพราะเราได้อยู่กับลมหายใจแล้วปลูกฝังมานะอนาคานสติไปที่ไหนก็อนาคานสติแล้วก็บอกว่าเมื่อก่อนในคัมภีบอกว่าก่อนที่เราจะดักรู้หรือหลังเราดักรู้แล้วเนี่ยเราจะเาคตใช้อานาปนานสติอันนี้คือตาํารา แล้วคุณแล้วไปอยู่กับผู้ดีเจ้าเออเได้ฟังท่านพูดจริงๆมั้ยแล้วตำรามันผ่านมากี่ร้อยกี่พันปีแล้วคุณเชื่อได้ยังไงที่อาจารย์กวิศยอมหลวงพ่อเทียนก็ตรงนี้นะพระพุทธเาแต่สู้มาสี่ร้อยห้าสิปีแล้มีการเขียนตำราแล้วคุณจำคำสอนของพ่อแม่แค่ซีปีคุณยังจำไม่ได้เลยแล้วตำราเขียนมามาืมา่มมกี่ร้อยปีก่อนที่อาจารย์กูรนะิศยอมเนี่ยถามว่าพ่อแม่สอนคําแรกแล้วจําได้มไหมอายุเท่าไหร่ที่ไหนเมื่อไหร่เนี่ย ไม่ได้เหลือวิสัยแล้วตำราคําสอนวิ้าสอนมาตั้งเท่าไหร่สี450่รหสิบปีมีการเขียนตำร า, าขึ้นเดียวมั้ยแล้วคุณยันแน่ได้ไแค่คุณแค่ช่วยชีวิตเดียวคือครึ่งชีวิตคุณยิ่งจำไม่ได้อันนั้นสี450่ร้อห้าสิปีมันกี่ช่วยชีวิตนะอันนี้คือท่านก็อยอมดังนั้นเรื่องของสิ่งที่เราปฏิบัติต้องพิสูจน์ให้เห็นแจ ะ, จะไม่ต้อง เชื่อว่าอาจารย์ได้ทำอะไในกาละเมสูตรชัดเจนเลยอย่าเชื่อทำตามกันมาอย่าเชื่อตามตาราอย่าเชื่อว่าคนนี้หน้าเชื่อถือได้คนนี้พูดหน้าเชื่อถือได้มีเหตุผลหน้าฟังคนนี้มันเข้ากับลักธิวัฒิธรรมของเราคุณไม่ต้องไปเชื่อตามนั้นเลยแล้วคุณพิสูจน์นะพิสูจน์ให้เห็นชัดๆว่าคุณสัมผัสมันได้ไหมที่พระุทธเจ้าท่านบอกในเทวการละเมสานั้นนั้นเองในวิธีการนี้หลังจากทมาสัมผัสแล้วนะโอ้มันเป็นเรื่องใหญ่หลวงเลยว่าเราเชื่อกันนี้มาตลอดแล้วเมื่อไหรจะลื้อถอนความเชื่อเหล่านี้้ได ก็มีทางเดียวคือต้องพิสูจน์ให้เห็นกันจะจิญอย่างนี้นะสําหรับคนที่มีศรัทธามีปัญญาเข้าใจได้ก็ยอมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็สัมผัสแต่คนที่ยังมีวิบากกรรมเยอะอยู่ก็เราจะพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนยันยงไงก็เหนื่อยเปล่าเพราะเขามีวิบากครอบอยู่่ะมีทิฏฐิมีมานะครอบอยู่เป็นวิบากกรรมครอบอยู่ก็ต้องปล่อยเขาไปก่อนจะไปข้างหน้าเพราะอาจจะไปเจออะไรที่ ด้วยตัวเขาเองนะอันนี้ก็ให้โอกาสกันแต่สําหรับคนที่ไม่มีวิบากกรรมมากเกินไปไม่มีทิฐิมานะมากเกินไปก็น่าจะเข้าใจได้ในเรื่องชัดๆแบบนี้นะดังนั้นในเรื่องของความรู้สึกตัวที่เราเน้นมาเมื่อวานเสริมให้ละเอยียดลงอีกนิดหนึ่งทีนต่อไปสําหรับวันนี้นะบทเรียนสําหรับวันนี้ในตัวสติปัญฐาสีมันจะมีกําลังได้ถ้าขาดสัมปชัญญะสีเนี่ยมันเป็นไปได้ยาก เพนั่นคือว่าสติสัมยาจึงมาด้วยกันสติเหมือนกับคุณกดไฟแชกขึ้นแชกแล้วเป็นประกายไฟแค่นั้นแล้วเป็นประกายไฟถ้าคุณไม่รีบไปต่อใส่เทียนใส่ตะเกียงนะไฟที่อยู่อะไรไฮเตอร์ไลเตอร์เนาะมาไลเตอร์แล้วหรือไม่ขีดมันก็จะต้องดับมันไม่ขีดมันก็ต้องดับมันมีจํากัดแค่นั้นนั่นคือหน้าที่ของสติกดแชกขึ้นมาคุณก็ต้องรีบไปจุดใสอันใดหนึง่งตัวที่รับ ช่วงต่อจากหัวไม่ขีดหรือไรเตอร์ตัวนั่นแหละคือตัวสัมพัชัญญาหรืออีกอุปมาหนึ่งคุณกดไปแชะไฟมันดับกดไปอีกแชะไฟมันสว่างหน้าที่ของสติคือสวิตตัวนั้นตัวที่ยังยั่างยืนอยู่คือตัวสว่างต่อ น, นั่นคือสัมพัชัญญะแล้วทาให้เราตามองเห็นอันนั้นคือตัวปัญญาตามองเห็นแล้วทําให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรใครเป็นใครอันนั้นคือญาณมันส้ำพันกันอย่างนี้เข้าใจนะ หน้าที่ของสติคือสวิต ท, ที่กดลงไปแชะเดียวนั่นแหละบางที่กดแล้วมันไม่ไม่ออกก็มีใช่ไหมไฟในกรณีที่หลอดไม่พร้อมไฟไม่พร้อมกระแสไฟไม่พร้อมนั้นหมายความคุณมีสติแต่สมรย่ญญาคุณไม่เกิดเพราะความพร้อมองค์ประกอบไม่พออีกทีหนึ่งว่าหน้าที่ของสติคือตัวที่กดสตาร์ทจะเป็นสวิตไฟหรืออะไรกระทำที่เราออนขึ้นมา ห น, หน้าที่ของสัมผัะคือรับช่วงจากการแชะัวนั้นไม่ว่าจะเป็นเทียนไขเป็นตะเกียงหรือหลอดไฟก็ตามนี่คือสัมปัะพอไฟสว่างขึ้นปับ๊บทำให้ตาทำหน้าที่คือปัญญาดวงตาคือปัญญามองเห็นใกล้ไกลถูกผิดสีแสงคนขาวคนดำรู้จักและทำหน้าที่รู้จักอะไรเป็นอะไรต่อไปเป็นเรียวกว่าเป็นญาณเพราะใ น, นความสัมพันธ์ของว่าสติสัมผัสสมมธิและปัญญาสัมพันธ์กันอย่างนี้ ทีนี้มาลงลึกในรายละเอียดของวไฟสัมพัจชญะญทํำยังไงที่มันจะเป็นขบวนการอย่างนี้นสัมพัชญะที่เป็นลักษณะสัมพัชญะที่เป็นโลกุตละมีสี่ความหมายนะความหมายที่หนึ่งความหมายที่หนึ่งตั้งใจฟังนะความหมายที่หนึ่ ง, า ง, ง, นะางการที่เราจะลุกนั่งย่างเรือนไปไหนมาไหนเนี่ยนั้นหมายความว่าเรามีการได้ลึกไว้ก่อนแล้วว่าเราจะทําอะไรใช่ไหมเราถึงได้ ตอบสนองต่อมีปฏิกิริยาต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายการที่เราตั้งระลึกไว้ก่อนว่าเราจะทําอะไรแล้วก็ตรงตั้งเป้าหมายว่าจะทําอะไรแล้วเริ่มปฏิกิริยาตอบสนองตรงนี้เขาเรียกว่าสากตกะสัมปชัญญะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีการเจริญสติไอการตั้งใจแบบเนี้ยมันจะมีไหมมันก็ไม่มีเพราะเราก็ทําสารชัตเยานอยากจะคิดน้ําก็ลุกไปเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะลุกอย่างไรขาดสากตกะแล้ว สตากะสัมยะเมื่อกำหนดเป้าหมายไว้จะไหนปับ๊บอันที่สองสปา ย, ยะสัมชัญญะคือลูกอย่างสะดวกแล้วก็ให้ถูกต้องว่าจะลูกอย่างไรนะลุกขึ้นแล้วก็เช็คตัวว่าปกติไหมแล้วก็เดินลักษณะที่เดินอะให้ปกติและสบายถ้าลุกคุณเรียบเรือปั๊บปับั๊ บ, บสัมบัชนะทั้งตัวสปา ย, ยะก็ไม่เกิดทั้งตัวสตราร์กะก็ไม่เกิดเพราะคุณไปตามความคิดของคุณไม่ได้ไปตามความรู้ ไม่มีสติเรียกว่าอันที่สองเรียกว่าสปา ย, ยะสัมปชญะคือไปอย่างรู้เนื้อรู้ตัวแบบสบายๆไม่รีบไม่ร้อนไม่เร่งเรียกว่าสปา ย, ยะสัมปชัญญะอันที่สามในขณะที่ไปเนี่ยกายกับคุณรู้คุณสามารถตรวจสอบได้ไหมว่าขณะที่ไปเนี่ยใจคุณอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่เป้าหมายที่คุณต้องการใจคุณประกอบไปกับกายเท้าที่กํลาลังเดินหรือว่าใจไปอยู่ที่ที่เราจะไปโดยสอบให้ชัด ถ้าจิตของคนไปอยู่ที่นู้นแล้วร่างกายที่ไปเนี่หมายขางว่ามันไปแต่กายใจมันไปอยู่ที่นู้นแล้วใจที่ไปกับกายนี่อาจจะสิบเปอร์เซ็ตที่สบเปอร์เซ็นต์ประคองไม่ให้ล้มใช่ไหมพอไม่ไม่ให้ผิดทางแต่ใจแปดสิเซนไปอยู่ที่เป้าหมายเส้นว่าคุณจะไปดื่มน้ําเงี้ยใจไปอยู่ที่ดื่มน้ำแล้วแปดสิบอร์เซนตตรงนี้เราเรียกว่ามันขาดช่วงเกิดแกลบเกิดช่องว่างอันที่สามเพื่อจะดึงกายกับใจเนี่ยไปด้วยกันเรียกว่าโคจระสัมบัชญยะ คือต้องโคจรไปด้วยกันระหว่างกายกับใจต้องเดินไปโคจรไปว่าเดินไปด้วยกันโคจรสัมปัญญะอันที่สี่สมมุติว่าเราไปถึงเป้าหมายแล้วดื่มน้ําเสร็จแล้วเราก็สามารถทบทวนได้ว่าเออฉันมาดื่มน้าแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยเบื้องต้นตั้งแต่ฉันลุกมาถึงตรงเนี้ยเห็นภาพไหมจําได้ไหมว่าลุกอย่างไรเดินอย่างไรแล้วก็ดื่มอย่างไรนั่งอย่างไรการตรวจสอบอย่างนี้แล้วว่าอะสัมโมหะสัมปัญญะไม่หลงลืม เป้าหมายตั้งแต่ต้นจนจบนี่คือความหมายของ่ารสัมพันัญะสัมพันธ์กสติไหมอ่าสัมพันธ์ตรงที่ว่าเรานั่งตรงนี้แล้วเรายุดลุกไปเข้าห้องน้ำเราก็เริ่มมาตรวจสอบว่าจะลุกอย่างไรก่อนนี่เรียกเป็นสาธกะเป้าหมายคือไปไ ป, ไปห้องน้าแล้วกลับมาอยู่ที่ตัวเราก็เริ่มลุกแล้วก็เดินไปอย่าง ปลอดภัยเดินไปอย่างสบายไม่รีบไม่เร่งไม่ร้อนไ ม, ออ ك, ไม่วกแวกไม่หวั่นไหวกับสิ่งแวดล้อมเป็นสปายะแล้วมีการตรวจสอบว่ากายกับใจเดินร่วมกันไปด้วยกันเป็นโโหเจระสัมปญะพอไปถึงแล้วแล้วลึกย้อนหลังอีกมาว่าตั้งแต่ต้นมาถึงตรงนี้เรามาอย่างไรได้เห็นทุกย่างก้าวไหมได้เห็นทุกการกระทําที่ไปถึงตรงนั้นไหมตรวจสอบเรียกว่าอาสัมมาหานี่เรียกว่าสัมปัญญะเพราะฉะนั้นวันเนี้ลองเอาไปทําดู ในร้อยเอร์เใครจะทำได้กี่เปอร์เซ็นก็แล้วแต่กับศักยะภาพแล้แต่ความสามารถของแต่ละคนแต่ว่าทำถ้าไปทําแล้วมันตึงมันเครียดมันหนักอันนั้นแสดงว่าผิดอะไรผิดสัมปัญญะล้เพราะทําแล้วไม่สบายผิดสัมปัชญะสัปยะสัมปัชญะสัปยะว่าทำให้มันสบายทําให้มันปล่งทําให้มันเบาทําให้มันผ่อนคลายนี่เรียกเป็นสัปยะสัมปัชญะไปตั้งใจทําเอาเต็มที่เลยวันนี้นะมันผิดตั้งแต่แรกแล้ว ไม่มาโทษหลวงพ่อไม่ได้เลยหลวงพ่อบอกถูกแล้วนะัคุณไปทําผิดเองเนี่ยก็ไปทําให้มันสบายอันนี้คือความหมายคําว่าสัมปชัญญะถ้าหากว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะเดินไปสู่เป้าหมายตั้งเป็นร้อยๆเป้าหมายใช่ไหมจากนี้บางคนยังไม่ถึงเวลาที่ไปทานข้าวเออมันปวดหนักละใช่ไหมมันเริ่มแต่แต่แรกแล้วเอามันปวดเบาแล้วจะไปห้องน้ําที่ไหนเริ่มตั้งเป้าหมายกันละอา้าวจะลูกไปอย่างไรก็เริ่มพวขาวของ แล้วก็กลับมาตรวจสอบว่าหนักเบานี้หนักพอจะทนได้ไหมใช่ไหมหนักพอที่จะไปไหมหรือมันหลอกเราก็กลับมาตรวจสอบตรงนี้อีกนี่คือศาสตกาศสัมพัทธะตรวจสอบเป้าหมายแต่ตรวจสอบสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความหนักเบาเบานี่เป็นอะไรเป็นทุกข์ใช่ไหมน่ะแต่เหตุของทุกข์ตัวนี้เราตามรู้ก่อนนี่คือตัวอริสัต์เข้ามาเกี่ยวละวอริสัตย์สี่เข้ามาเกี่ยวแล้ เพราะนั้นก่อนที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายไปตรงนั้นคุณเขต้องนอําอริยสัจสีมาใช้ว่าความรู้สึกที่จะหนักจะเบานั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์ต้องทําังไงรู้ไปก่อนว่าเออหนักเบาตัวนี้มันหนักพอที่ฉันจะรู้ไปหนักไปเบาแล้วยังรู้ทนพอทนได้ไหมถ้าทนแล้วมันจะอันตรายไหมอ่าถ้าไม่อันตรายโอเคทนไปอีกหน่อยหนึ่งแต่บางครั้งเราเรากําลังปฏิบัติอยู่แล้วก็นั่งฟังอยู่เนี่ย แต่จิตลึกๆของเราเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาไม่ไม่ชอบแล้วก็ไม่สู้มันจะมีอุปทานบางอย่างทําให้เราอยากอยากรู้ไปมันไม่อยากเอาคนนึกถึงเรื่องอยากบอกขึ้นมามันไม่อยากหนักก็นึกถึงอยากหนักขึ้นมาตรงนี้มีความซับซ้อนมีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบทุกต้องกําหน ด, ดรู้จริงๆว่าเออที่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่าหรือมันเกิดขึ้นมาหลอกเราด้วยอุปทานที่เราไม่ชอบแล้วอยากจะหนีคนเนี้ยต้องหาเหตุไปอะ่ะใช่ไหม คนนั้นเบื้องหลังที่จะไปเนี่ยไปเพราะความจําเป็นหรือไปเบื้องหลังคืออะไรกันแน่เบื้องหลังคือเราไม่ชอบอยู่ที่นี่หรือว่ามันมีความจําเป็นจริงๆลักษณะการตรวจสมทุกต้องกําหนดรู้กําหนดรู้แล้วว่าโอ้อันนี้ของจริงแล้วมันต้องไปแน่แก็มันเป็นสมูทยัย่ะถ้าเราไม่ไปเป็นสมูทัยนะแต่ถ้าเรารู้ว่าชัดเจนแล้วก็ลุกไปก็เรียกว่ามันจับจํากัดว่าทุกต้องกําหนดรู้แล้วก็ตอบสนองตามความเหมาะสมแล้วก็ใช้สัมพันญาติเข้าไปไปอย่างไร สัมพันญยญสีเข้าไปเห็นไหมว่าสตรีปฐานสี่อริยสัจสีสัมปัญญสี่ทางานสัมพันธ์กันแต่เนื่องจากว่ามันเป็นภาษาตําราเราจึงไม่ได้ยกมาพูดกันบ่อยๆใช่ไหมเราก็พูดกันสั้นๆจบเข้าใจง่ายๆแต่ถ้าเราภาษาแต่ถ้าไม่อ้างถึงตําราแล้วเนี่ยเราจะถูกเก่าวหาว่ามั่วได้ง่ายๆใช่ไหมไปเจอต้องหาที่ไปที่มาเนี่ย ผู้ที่เ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้นะฉันไม่ได้มั่วเองนะแล้วฉันก็พิสูจน์มาด้วยมันเป็นอย่างเนี้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่หลวงพ่อเทียนได้กล่าวถึงเนะี่ยมันรัดสั้นตรงแต่มันอมความหมายของคัมภีร์ตำราไว้มากมายเยอะแย ะ, ย ะ, ยะมากเลยเพราะฉะนั้นในบรรดาของนักตำราที่ติดตำราติดคัมภีร์จึงยอมรับวิธีการของพ่อเทียนไม่ได้เพราะไม่มีใครที่ไปขี่คลายหรือชี้แจงให้เขาเห็นได้ชัดเจนขนาดนั้ น, น, นถึงชี้แจง ที่ขายเขาก็รับไม่ได้เพราะเขาไม่มีอะไรไม่มีสภาวะรองรับที่จะเข้าใจได้ใช่ไหมเราก็ถูกขาว่ามั่วอยู่ดีอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นพอแล้วลึกๆแล้วเขายังไม่มีศรัทธาที่จะฟังเราลึกๆแล้วเขาไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจถึงคุณจะชี้แจงให้ชัดเจนแจ่มแจ้งขนาดไหนเขาก็ยังรับไม่ได้เพราะศรัทธายังไม่เกิดปัญญายังไม่เกิดซึ่งเรากล่าวมาเมื่อคืนว่าถ้าศรัทธาเป็นเหตุให้เกิด ปัญญาอันนั้นเป็นสมถะถ้าปัญญาเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาเป็นวิปัสนาอ่ามันกลับกันนะคนส่วนใหญ่มีศรัทธาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ลงมือทำอ่าไม่ใช่แปลกเพราะมันเป็นวิถีของสมถะทุกคนมีอยู่แล้วชาวพุทธแต่ในกรณีที่เราค้นหาจนค้นพบกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรนั่นเองเป็นผู้แสดงทางแห่งปัญญากับเราสามประการใช่ไหมคงไม่ลืมนะเมื่อคืนเนะี่ย ใช่ไหมปัญญาก็ได้ยินได้ฟังปัญญาเกิดพราะได้ข้อคิดที่ถูกต้องปัญญาเกิดเพราะได้ลงมือทําที่ถูกต้องปัญญาเกิดเราถึงเกิดศรัทธาเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาในแง่ที่ถูกต้องแล้วปัญญาต้องนำศรัทธาแต่ในศาสนาทั่วไปในศรัทธานําปัญญาหรือบางทีไม่เกิดปัญญาเลยก็ได้ใช่ไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าการิยาในวิค น, นั้นเราจะนําไปทางไหนเอาละทีนี้วันนี้การเคลื่อนไหวไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการมีเป็นพันเปนน็นพันจุด แต่ขอให้คอยระลึกดูสักจุดที่สําคัญหลักๆเช่น<ช>จะไปรับอาหารอาเป้าหมายคือไปที่นั่นแต่วันนี้เราย้ายอาหารมาใกล้ๆคงไม่เดินไกลนะเอามาก็เลยขอร้องฝ่ายครัวว่าคุณทำอาหารไกลที่โน้นน่อโหคนผู้สูงอายุหลายคนนะเกิดไปเหยียบอะไรพลาดหกล้มตรงนั้นหกคอมนต์ีลังกาตรงนั้นไม่ขอทานแล้วก็ไกลด้วยอ่ามันนี่ยยกมาใกล้ๆเรามีอาส า, าสมัครผู้ชายเรามีหลายคนนะอันนี้คุณเปิ้ลคุณ ติมจัดการก็เรื่องว่าแต่ละวันจะให้ใครเป็นช่ว ย, ยกอาหารนะอันนี้คือเป้าหมายว่าเป้าหมายหลักก็คือเราวันนี้เราจะทําอะไรบ้างแม้สําหรับคนที่มีสติปัญญามีศรัทธาดีแม้แต่เป้าหมายเล็กๆ ก, ก, ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ไม่ใช่ว่าคุณจะรอให้ไปกินข้าวไปเข้าห้องน้งําไปแต่งตัวไปที่พักไม่ใช่เป้าหมายหลักอย่างนั้นอย่างเดียวนะแต่เป้าหมายเล็กๆคุณจะลงไปอ่าข้างล่าง ไปเอาอะไรไปเอาน้ําอะไรก็ตั้งริ่มตั้งสติเล็กละเอียดเข้ามาก่อนนี้อีกเออนั่งท่านี้รู้สึกไม่สบายฉันจะขยับไปท่านี้ตั้งสติก่อนใช่ไหมเข้าไปสู่หลักของสัมมาัญยะว่ตั้งสิแล้วค่อยๆปรับตอ บ, บอย่างสบายเป็นสปายะกายกับใจรับรู้ตลอดเวลาเป็นโคจระแล้วก็กลับมานั่งท่านี้เราลึกได้ว่าตัวเองขยับตั้งแต่ทา่าแรกคือท่าไหนแล้วมาสู่ท่านี้ได้อย่างไรนี่หน่วยเล็กๆของสัมมาจัญญะทําได้ตลอดเวลา แต่ขึ้นอยู่กับว่าศรัทธาและปัญญาของใครจะไวกว่ากันคนที่มีศรัทธาและปัญญาไวก็จะจับได้แม้แต่หน่วยเล็กๆแต่คนที่มีศรัทธาและปัญญาปานกลางก็จับได้ในส่วนที่กลางๆแต่คนที่ิีสตีปัญญาน้อยก็จับเป้าหมายที่หลักๆบางจุดเท่านั้นร้อยหนึ่งอาจจะจับได้ไม่กี่จุดอันนี้คือความต่างเราต้องยอมรับนะใช่ไหมยอมรับระ ด, ดับศรัทธาและปัญญาของแต่ละคนมันมีแน่นอน าดังนั้นการเข้าถึงธรรมการเข้าใจธรรมการสว่างในธรรมเราจึงต่างกันต่างกันบางคนโอรู้ไวบางคนหลายปีถึงจะมารู้บางคนหลายสิบปีที่จะกลับมาโจกยมโยทินไงโยธินนี่ยพบหลวงพ่อเรียนสามสิบกว่าปีแล้วนะกลับมาใหม่เท่เนี้ยอันนี้ต้องตั้งต้นใหม่นะก็โอเคยังดีกว่าไม่กลับหลายคนไปแล้วไม่กลับไม่กูกูไม่กลับเลยนะ ไปแล้วไปเลยนะไปก็พบหลวงพ่อเทียนว่าอย่างดีแล้วก็ไปอย่างอื่นเตลิดเลยนะแต่ยงยยทินนะโยงมีบุญมากสามารถได้กลับมาใหม่แต่เที่ยวนี้คงไม่ทิ้งนะอ่าเที่ยวนี้ก็คงไม่ไม่ทิ้งไปเที่ยวสุดท้ายแล้วอนะ่นะเนาะเม่เที่ยวสุดท้ายแล้วคุณไม่ขึ้นเที่ยวนี้คุณก็หมายก็ตกตกต ก, ตกเที่ยวบินแล้วกันแะต่นะอ่าหมวดวงกาสนะดังนั้นทุกคนอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้ไปไกลว่า ตัวสติปันสีที่เราฝึกนั้นมันมีสีส่เป้าหมายคือกายเวทนาจิตและธรรมแต่เบื้องต้นสำหรับคนใหม่เนี่ยเอากายเป็นหลักไว้ก่อนแต่สำหรับคนที่เคยปฏิบัติมาแล้วก็จะไปใช้เวทนาไปใช้จิตไปใช้ธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ประสบการณ์ ข, ข, ของแต่ละคนแต่ขอให้ชัดแต่ละอย่างไปถ้าเราเข้าใจว่าเราไปไกลแล้วเนี่ย ลองมาทบทวนในเรื่องเรื่องกายเรื่องรูปนามดูสิถ้าหากว่ามากำหนดรู้ในรูปนามจนครบทวนแล้วเราไม่สงสัยละแล้วใครต้องการที่จะรู้เรื่องรูปนามเราสามารถอทธิบายให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วคุณปฏิบัติได้เลยเออระดับนี้ผ่านนะแต่แม้กระทั่งตัวเองอยังเอาไม่ค่อยรอดนี่ก็ถือว่ายังไม่ผ่านนะฮะต้องกลับมาซ้ำตรงนี้ใหม่ซ้ำซ้ำซำ้การซ้ำซากตรงนี้อย่าไปกลัวว่าเสียเวลา ยิ่งซ้ำมก็ยิ่งดียิ่งซ้ำก็ยิ่งละเอียดขึ้นนะเหมือนเราโมกแปง้งเหมือนเราตำน้ำพริกอ่ะยิ่งตำซ้ำๆเยอะๆมันก็ยิ่งละเอียดอ่าพิกแกงละเอียดแป้งละเอียดเป็นไงขนมก็ยิ่งอร่อยในแกงก็ อ, อร่อยถ้าตำครกไม่ละเอียดก็ไม่อร่อยหลักทานเดียวกันถ้าเราตอกย้ำในอารมณ์รูน้ำน่าปัจจุบันยิ่งละเอียดยิ่งลึกเท่าไรมันจะไปสู่ตัวหลักของปรมัตร์นะเ อ, า, อางี้นะเพื่อไม่สับสน ถ้าเรารู้กายกับใจรูป ก, กับนามในปัจจุบันชัดๆเนี่ยอันนี้สง์มันคืออะไรอันนี้สงฆ์ทำให้เราเห็นความคิดที่หลวงพ่ อ, พอเทียนบอกว่าดูกายเห็นจิต ด, ดูกายเห็นจิตถ้าเรารู้รูปนามเราจะเห็นความคิดเข้าออกที่ชัดเจนถึงแม้ว่าเราอย่างจะทำอะไรกับมันไม่ได้ก็ถือว่าคุณรู้รูปนามแล้วแต่เมื่อก่อนคุณไม่รู้เลย คิดอะไรเข้ามาคุณก็ไปกับมันเลยใช่ไหมคิดอะไรเข้ามาเป็นในเดียวกับมันเลยคิดชอบคิดรักคิดชังคิดถูกคิดผิดก็ไปกับความคิดนั่นอันนี้หมายความว่าไม่ไม่มียังไม่มีการฝึกฝนเลยแต่พอมาณนะวันนี้อ่าเมื่อก่อนในะสมมุติที่เป็นรูปรธรรมเมื่อก่อนเขาให้ผลไม้อะไรคุณก็กินมันทั้งลูกเลยให้มังคุด ก, ก, ก, ก็ก็กินทั้งลูกให้ขนุนหะนุก็กินทั้งลูกนะให้ทุเรียนนี่หนักหน่อยนะก <c oughs> ินทั้งลูกทั้งเปลือก แต่พอได้มาฝึกฝนแบบนี้ปั๊บคุณได้รับการมีฝรั่งคนหนึ่งแนละ้วที่เข้ามาซื้อไอ้ผลไม้ไทยเขาชอบผลไม้ไทยทีนี้เราบางคุณเนี่ยเขาไม่เคยเจอพอซื้อสิทธิ์เขาก็ไปเขาก็ไม่ได้ถามไม่ค่ากินยังไงก็ไปเขา ก, กินกลับมาโอหูมาดา่าไม่ค้าใหญ่คุณเอาอะไรมาขายให้ฉันเนี่ยมันกินไม่ได้เลยกินท่าน้าเบ้ทุกทีอ้าคุณกินยังไงเขากินทั้งลูก อ, ะอ่ะโยนลองนึกภาพดปกินละมุดะมละมุดกินทั้งลูกได้นะ เอาเม็ดออกแต่บางครัเรียนไม่ได้ใช่ไหมโอ้ทั้งขมทั้งคืนทั้งเสียนทั้งฝาดอ่าแม่ค้าก็ต้องมาสาธิตวิธีการกินนมมุสห้องคุณต้องพาแบบนี้แล้วคุณก็แยกออกแบบนี้คุณก็กินเฉพาะในข า, ขาวๆมันเหมือนกันเราได้มาพบกัลยาณมิตคือทําให้เราว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณคิดเรื่องไหนมาคุณก็เป็นเรื่องนั้นเหมือนกับคุณกินผลไม้ทั้งลูกแต่เดี๋ยวนี้พอมาพบ ครูบาอาจารย์พบกเรนมิตรปับ๊บเขาจะบอกวิธีการวิธีเข้าสู่รูปนามเอออันนี้เปลือกนี่มันรูปนะแล้วก็ในมันนี่เหมือนนามคุณต้องกินในเฉพาะส่วนนามเนี่ยส่วนรูปคุณก็ทิ้งไปหมายว่าคุณยกมือเนี่ยคุณเอาแต่ความรู้สึกที่เกิดจากมือนะคุณไม่ต้องเอามือนั่นเรียกว่าเอานามคือในมากินละแต่ส่วนยกมือเนี่ยก็ยกทิ้งๆไปเรื่อยๆเหมืนอนกูคุณปอณลอกผลไม้คุณก็โยนโย น, โยนเปลือกทิ้งไป แต่มันต้องมาด้วยกันใช่ไหมลูกกับน้ำตรงเหมือนกับผลไม้ก็เนื้อในมันต้องมาด้วยกันเพราะมันรักษาซึ่งกันและกันแต่เวลาเอาไปใช้จริงๆเราเอาแต่ในมันเอาเปลือกมันทิ้งฉันใดก็ดีเวลาปฏิบัติจริงๆคุณใช้รูปก็จริงแต่คุณไม่ได้เอารูปหรอกเพราะรูปนั้นห่อหุ้มน้ำเอาไว้คุณก็เอาเฉพาะความรู้สึกที่มันเกิดแต่ความรู้สึกนี่มีสองอย่างนะในก็มีสองอย่างเนี่ยมีเนื้อกับอะไระมีเนื้อกับเม็ดถ้าคุณกินทั้งคืนกินทั้งเนื้อทั้งเม็ดไปยังไงก็ได้เรื่องอีกเหมือนนกั กินทุเรียนสังเวชไปยังงกิทั้งทั้งเวชทุเรียนทั้ง เ, ไไงงง เ, เ น, งเนือทุเรียนไปยังไงก็ได้เรื่องอยีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณในถึงแม้ว่าเข้าไปนามนาม ม, นมันมีสองอย่างนามที่เป็นนามลว้ลวนและนามที่เป็นนามวรูปนี่นี่ถึงคุณไปกินในคุณก็ต้องเลือกอีกเหมือนกันว่ากินนามวารูปไม่ได้เหมือนเวชทุเรียนนามวารูปคือความคิดที่มันก่อตัวขึ้นมาเพราะคุณจะทําอะไรสักอย่างหน ค, ความคิดมันต้องมาก่อนเห็นไหม จินตนาการด้วยมาก่อนพอคุณจะไปห้องน้ําห้องส้วมเนี่ยคุณก็จินตนาการนะห้องส้วมอยู่ที่ไหนโกที่นี่ใกล้ที่นั่นไกลต้องไปที่นั่นนะมันขึ้นมาในหัวก่อนถ้าคุณถึงจะฟารูปด้ยลักษณะที่ภาพที่ปรากฏในหัวเขาเรียกว่านามารูปฮะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณจะไปห้องส้วมโดยที่ภาพไปทาบอยู่ในหัวคุณไม่ใส่ใจต่อกันลุกการเยินกันที่จะไปห้องน้ําแล้วเกิดอะไรขึ้นลืมตัวเลย แล้วคุณอาจจะไปหกล้มแถวบันไดที่ลงไปก็ได้เพราะจิตของคนอยู่ที่นั่นเก้าสิบเปอร์เซ็นนะนี่เขาเรียกว่านามารุ ก, ก็ต้องทิ้งเหมือนกันทิ้งว่าเออส่วงเนเรล่าจะไปโดนก็ทิ้งไปเลยแล้วกลับมาเอาเนื้อมันคือมารุสึกตัวนี้นั้นคือได้กินเนื้อเม็ดมันก็อยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวคุณก็ไปใช้คือนามารูกคือเม็ดมันคือภาพที่ปรากฏในหัวคุณทิ้งไปเลยแล้วกลับมาสู่ความรู้ตัวในขณะที่ลุกไปก็ไปสอดคล้องกับอะไรสัมพัชญะใช่ไหมที่ว่ามาไม่กี่ ดังนั้นในสภาวะเนี่ยมันสอดคล้องกันหมดแต่ที่เราเอามาแยกให้เห็นขบวนการขั้นตอนว่ามันเป็นไปอย่างไรมันเป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์เป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์แต่ว่ามันเป็นนามธรรมเท่านั้นเองนะเมื่อเรารู้ชัดอย่างนี้ว่ารูปกับนามอาศัยกันแต่เวลาเราจะใช้เราอาศัยแต่นามเราเอาลูกทิ้งไว้นะไม่ได้ทิ้งหมดวางไว้นะ เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้เรียกว่าคนนี้รู้จักรูปนามรู้จักกินเนื้อละรู้จักเอาเปลือกทิ้งไปรู้จักเอาเม็ดหนทิ้งไปก็คุณก็สบายขึ้นมานิดหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าผลไม้ที่คุณกินเนี่ยคุณปลูกมาด้วยมือของตัวเองหรือคุณไปซื้อมาอ่าถ้าไปจําเขามาทํำแล้ว่าคุณซื้อเข้ามากินแล้วหมดแล้วหมดเลยใช่ไหมแต่คุณจะกินต่อไปวันใหม่อีกเป็นไงคุณก็ต้องไปซื้อใหม่คุณไปฟังอาจารย์นี่นคุณมาจํามาปฏิบัติ อ่ามันไม่ใช่ของคุณนะขณะที่ฟังมาเดี๋ยวได้พักหนึ่งมันลืมแล้วกลับไปบ้านไม่ได้ทําคุณก็ไปหาเข้าลิทิษใหม่ไปหาอาจารย์ใหม่ไปหาซื้อใหม่กับอาจารย์ตรงนี้สักพักหนึ่งกลับไปสักพักก็ทําได้ลืมหมดแล้วกลับมาใหม่ก็เลยเข้าลิทิษกันหลายครั้งใช่ไหมโยมนั่งฟังอย่างง่วงอยู่เลยนะแสดงว่าเข้าใจในสิงที่หลวงพ่อพูดไหมเมื่อคืนนอนไม่หลับเนาะใช่ไหมสองคืนแล้วนะน่าจะนอนหลับได้แล้ว บอกแล้วว่านั่งฟังหลวงพ่ออย่าอย่าหลับตาเนี่ย้าหลับตาเราง่วงเลยนะต้องลืมตามกว้างๆเอาละมาถึงตัวไหนถึงตรง ว, ว่าเราจะทำยังไงที่จะมีผลไม้ทานได้ทุกวันนั้นคุณต้องปลูกเองดังนั้นในระดับรูปนามที่คุณจำเนี่ยเป็นระดับสัญญาเหมือนกับว่าคุณต้องไปซื้อผลไม้ทุกครั้งมาทานเมื่อคุณอยากแต่ถ้าคุณอยากจะทานผลไม้นี้ตามต้องการตามฤดูกาลคุณต้องลงมือปลูกเองนั้นหมายความต้องเปลี่ยน รูปนามในระดับสัญญาให้เป็นปัญญาเออเปลี่ยนยังไงก็หมายความว่าผลไม้เนี่ยทุเรียนให้กินแล้วอร่อยคุณเก็บเม็ดมันไว้แทนที่จะทิ้งใช่ไหมคุณก็เอาเม็ดนี่ไปลงปลูกอ่ะปลูกไม่กี่ปีมันก็ได้ต้นทุเรียนขึ้นมาได้ได้กินทุเรียนตามฤดูกาลคุณไม่ต้องไปซื้อละทีเนี้ยชั้นใดก็ดีเมื่อมาที่นี้เข้าใจว่าเออรูปเป็นอย่างนี้รูปคือการที่เราต้องเกี่ยวข้องกับความรู้สึกทั้งหมดทั้งกาย นามคือความรู้สึกที่เราต้องหยิบเอามาใช้คือสติ ส, สัมมาจัญญาเป็น น, นามนะความรู้สึกเย็อนร้อนอ่อนแข็งตึงร่างกายเนี่ยมันเป็นนามมารูปและตัวทาสี่คือมืออาการสิบสอง เ, เป็นรูปรุนล้วนอาการที่เกิดจากรูปคือเย็นร้อนอ่อนแ ข, งข็งเคร่งตึงเนี่ยมันเป็นเวทนาเป็นนามมารูปชนิดหนึ่งและเราเข้าไปตามอาตามรู้อาการของนามมารูปคือเย็นร้อนอ่อนแข็งนี้ชัดๆความรู้ชัดๆนั้นมันเป็นนามล้วนๆเรียกว่าสติสัมมาัญญา มีวิธีปลูกนะเราก็ไปทํากลับไปบ้านแล้วมันไม่ใช่ทิ้งละทีเนี่ยไปนั่งทำมีเวลาตรงไหนก็ทําเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาเม็ดเนี่ยลงไปปลูกถึงแม้ว่าในช่วงที่มันยังไม่โตคุณก็ณต้องซื้อกินไปก่อนก็แล้วกันถ้าคุณหิวผลไม้ใช่ที่นี่นะพอเราไม่ปลูกปลูกไม่นานแต่ว่าการปลูกเมล็ดของนามธรรมามันไม่ได้ใช้เวลาหรือช้าเหมือนกับไอ้ลูกประทามบดเม็ทุเรียนนะเม็ดุเรียนสามปีห้าปีเจ็ดปีเอาใจใส่ถึงได้กินใช่ไหมแต่อันนี้คุณสามารถ สาวันหวันเจวันคุณรู้เรื่องเลยมันโตโตไวมากมันแล้วก็ตายไวด้วยนะโตไวแล้วก็ตายไวคือหมายความว่าจําไวแล้วก็ลืมไวนะดังนั้นเมื่อมาในระดับว่ารู้รูปนามหมายความว่าคุณแยกระหว่างความคิดกับความรู้สึกออกจากกันได้เอออันนี้มันเห็นที่เขาบอกแยกได้ไหมายความเมื่อก่อนคุณไม่เห็นเลยว่าความคิดเข้าอย่างไอางออกไงพอคิดขึ้นมาคุณจะทํำอะไรุณก็เป็ น, นคุณก็เข้าไปในความคิดทุกทีแต่พอเดี๋ยวนี้พอคิดขึ้นมาปั๊บเลยคุณ รู้อ่ะมีความคิดนี่นะจะออกมาจะออกมายังไงแล้วจะมันออกอย่างไรเริ่มรู้วิธีการถึงแม้ว่าเอาออกไม่ได้ร้อยเปอร์เซนถึงแม้ว่าป้องกันไม่ให้ความคิดเข้ามาในไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่คุณก็ออกได้บ้างดีในระดับรูปนามนะทําได้แค่นี้ขั้นที่สองมาในระดับนามรูปคุณเริ่มเฝ้าดูนามรูปมากขึ้นพราะคุณความรู้สึกตัวทุบฟ้องจะเข้มแข็งขึ้นแล้วทำบ่อยๆนะก็ ในช่วงไหนที่ไม่มีความคิดอะไรเกิดขึ้นคูค่คกับไปอยู่รูปนามเพราะรูปนามนี้อาศัยทุกข์เป็นที่ตั้งมันมีตลอดเวลาการบำบัดทุกนั่นแหละเรียกว่าทําให้เรารู้จักอารมณ์รูปนามการบำบัดทุก์จากหนักให้เป็นเบาได้ตลอดเพราะนั่นคนรู้จักอารมณ์รูปนามจึรงรู้สึกสบายขึ้นเพราะอะไรรู้จักวิวธีบำบัดเวทนาไม่แช่แล้วก็ไม่เผลอไม่เพลินแลวกไม่เผลอบำบัดเรื่อยๆอันไห น, นหนักอันไหนเบารู้เร็วขึ้น อันไหนสบายไม่สบายรูเ้เร็วขึ้นแล้วก็ปรับให้มันสมดุลลักษณะนี้เรียกว่าสมดุลในระดับกายรู้จักละร่างกายแล้วก็จะเบาขึ้นจิตใจก็จะเบาขึ้นระดับหนึ่งต่อไปเราก็มองหาว่าเออไอเจ้าความคิดมันก็ไ่ได้มาตลอดเวลาเห ม, มือนกับไอความรู้สึกกายนะมันมาเป็นบางครั้งนะมันมาเป็นบางครั้งบางครั้งความคิดนั้นเป็นความคิดธรรมดาสลัดได้ง่ายบางครั้งความคิดนั้นเป็นความคิดที่เกี่ยวกับ ความผลได้ผลเสียสละได้ยากหน่อยเกิดด้วยอุปท า, านเช่นเขาโทรมาเขาบอกอย่งน้นงนี้นะเออกลับบ้านนะ่นเดี๋ยวพ่อเขาลงพยาบาลทำไงเนี่ยคุณไปนั่งปฏิบัติให้พ่อเขาลงมากลับมาด้วย น, นะเกิดกับผลได้ผลเสียแล้วความคิดแบบนี้สละได้ไง่ายไหมไม่ง่ายเลยใช่ไหมโอ้โหเหนียวแน่นมากเป็นเหตุให้เก็บโทรศัพท์เพื่อตัดเพื่อตัดสายใหญ่ดูอุปท า, านตดวง น, น, นี้นะเป็นให้เกิดเก็บโทรศัพท์ถ้าคนไหนไม่เก็บอ่า อ้หลวงพ่อเดี๋ยวขอถ่ายภาพหน่อยนะหลวงพ่อเลยยึดโทรศัพท์เลยทีเนี้ยอ้าวเมื่อวานเขาบอกให้คุณเก็บโทรศัพท์วันนี้ทําไมคุณยังไม่เก็บเมื่อวายึดได้เครื่องหนึ่งแล้วนะอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมาต้องยึดโทรศัพท์มาเพราะมันเป็นที่มาของอุปท า, านได้ง่ายแล้วก็เหนียวแน่นตัดได้ยากถ้าไม่เก็บตื่นขึ้นมากลางคืนไอ้นี่แม่ไม่รู้ลูกมันหายไปไหนป่ะเนี้ยห้าทุ่มตีสองแล้วมันยังไม่กลับบ้านนียเนี่ยแม่นอนหลับต่อได้ไหมไม่ได้แล้วโวยวายโอ้ดรับโทรศัพท์ร้องเลยไอ้คนนอนข้างๆไป นี่เป็นเหตุให้ยึดถืรเัพท์ำนะดังนั้นเหตุเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นเสมอแต่เราจึงป้องกันว่าเออจะทำไงให้สิ่งที่จะมากระทบไม่ให้เกิดเข้าไปอยู่ในความคิดเนี่ยได้ง่ายเกินไปนะทีนี้ถ้าเรารู้ว่าความคิดเข้ามาอย่างไรความคิดออกไปอย่างไร จะจัดการความคิดอะไรได้บ้างเนี่ยตรงนี้เราว่ารู้ในระดับอารมณ์ที่สองอารมณ์ที่เป็นนามรูปซึ่งเป็นช่วงเชื่อมต่อระหว่างอารมณ์รูปนามที่จะไปสู่ปรมัตุ์คุณจะต้องมารู้จากอารมณ์นามรูปเพราะตัวอารมณ์นามรูปเนี่ยคุณจะแยกออกรู้รูปนามคุณแยกเปลือกออกจากเนื้อรู้อารมณ์นามรูปคุณแยกเนื้อออกจากเม็ดเข้าใจไหมเหมือนกินผลไม้ทีพอมาอารมณ์นามรูปคุณจะแยกออกระหว่างรูป ของความคิดกับความรู้สึกออกจากกันเนี่ยได้อย่างไรนี่นีนี่นี่เพราะฉะนั้นในระดับต่อไปสําหรับคนที่ปฏิบัติมาแล้วนะถ้าเข้าใจรูปนามเข้าใจมั่นใจตัวเเข้าใจรูปนามว่าแยกเนื้อออกจากเปลือกออกจากเนื้อได้นะอ่าคุณแยกมั่นใจคุณก็ฝึกขั้นต่อไปคุณจะแยกเนื้อออกจากเม็ดได้อย่างไรแยกระหว่างความคิดกับความรู้สึกเมื่อกี้เราแยกระหว่างความรู้สึกทางกายกับความรู้สึกทางใจออกจากกันใช่ไหมความคิดกับความจะแยกความรู้สึก ก็ความคิดความรู้สึกเฉยๆเหมือนเนื้อผลไม้แล้วก็ความคิดเหมือนเม็ดผลไม้จะมาแยกออกจากันได้อย่างไรอ๋อนั้นหมายความคุณก็ต้องมาตอกย้ำความรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นกว่าเดิมละ่ะทีกว่าเดิมละพอความรู้สึกมันชัดกว่าเดิมถี่กว่าเดิมปับ๊บความรู้สึกตัวนี้เริ่มเป็นอะไรเป็นนิสัยเป็นความเคยชินแบบใหม่ลักษณะนี้เมื่อคุณอยู่กับความรู้สึกล้นล้วได้นานเท่าไหร่ตัวปรามัดเริ่มก่อตัวละ ประมาทไปว่าอะไรประมาทไปวความรู้สึกล้วนๆที่เป็นไปเองแต่เบื้องต้นความรู้สึกล้วนๆที่ยังเป็นไปเองไม่ได้ก็เรื่อเป็นสมมุติอยู่สมมติว่าเป็นความรู้สึกซึ่งมันก็เกิดดับดับอยู่มันยังไม่แน่นอนอ่าตัวนี้เริ่มละเอียดลงไปแล้วใช่ไหมก็หยุดไว้แค่นี้ก่อนแต่คุนไปไกลกว่า น, นี้คุณไปไม่ทันนะ่ยเพราะฉะนั้นไปดูตัวนี้ก่อนในช่วงแรกนะตั้งต้นวันนี้เราเริ่มตัวในเรื่องของสัมพชัญญะนะสัมพัชัญญาก็คือว่าจะลุกไปไหนจะเดินไปไหน ต้องตั้งสติก่อนง่ายๆตั้งสติก่อนไม่ใช่ว่าลุกแล้พรวดแล้วไปเลยนะตั้งสติเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ว่าขณะนี้คุณอยู่ในอิเลโบทไหนสมมติว่าคุณจะไปที่นู่นน่ะหมายความว่าจะต้องเปลี่ยนอิโบทนั่งเป็นอิโบตเดินแต่คุณรู้ถ้าคุณจะเดินในขณะนั่งอยู่ได้ไหมไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนท่านั่งให้เป็นท่ายืนซะก่อนแล้วถึงเปลี่ยนท่ายืนให้เป็นท่าเดินไอการลําดับ ท่าต่อท่าจนไปถึงท่าที่เราใช้อยู่ให้เห็นภาพเนี่ยนีคือตัวสัมปชัญญะแค่นี้ก็ยากเลยใช่แต่ว่าเราทำได้เมื่อมีความรักที่จะทำมีความศรัทธาที่จะทำมีความตั้งใจทำได้แต่ทำให้นี่งไงทำให้สบายนั่นเวลาไปพูดกับฝรัง่งออกมาจะนิ่นเสมออยู่ต้องทำแบบ relaxingly freely mindfully easily normally คือต้องทาให้อิสระสบายผ่อนคลายรู้สึกตัว นะแล้วอันนี้ซอฟต์บเป็นไงนุ่มนวลนะนุ่มนวลแล้วอันนี้ c o n t i n u o u s l อต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆมันหาคำได้อย่างของเรามันยากฝรังพระองใช้หลายคำ อ, ะอ่ะอันนี้ที่ผมว่ามันก็ไม่อยากพูดสอนกับฝรังมันเหนื่อยเพราะว่าแทนที่จะพูดคำไทยคนไทยคนเดียวคำเดียวเข้าใจใช่ไหมจบแต่ถ้ยพูดฝรังพต้องใช้เป็นสิบสิบคเป็นภาระ อ น, นั้นถ้าจะไปมีฝรั่งแจมเข้ามาเรือยก็รู้สึกตรงนี้แหละงานหนักแต่ว่ามันก็ท้าทายนะทำให้เราได้ใช้ภาษาดังนั้นในวันนี้นะสรุปว่าแต่ละคนเอาไปทําตามกําลังของตัวเองด้วยความรักและด้วยความเข้าใจแล้วมันจะรู้สึกไวขึ้นะชัดเจนแจงแ จ, งแ จ, งแจง้งแดงแจ้งอย่างนี้เข้าใจไม่ได้ก็ไม่รู้จะช่วยอะไรแล้วนะอขออนุโมทนาสาธุความตั้งใจที่เราทั้งหลายจะได้ศึกษาเรียนรู้ ในสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเพื่อให้เราจะได้ลดความยาวนานเนื่นช้าของวัตสงสารลงมาให้เป็นชาตินี้เราก็จะได้หมดทุกหมดโศกหมดเวือนว่ายใจเกิดด้วยการทุกคนทุกท่านถือ